วันี้พระในวัดของเราทั้งหมดส1อดรูปลงมาชั้นยี่สิบหวันนี้เป็นวันที่หกมกราคมพุทธศักราชสองหยห้าสิบแปดวันนี้ก็เป็นวันหนึ่งอากาศรู้สึกว่าอุดอบอุ่นอุ่นขึ้นมาบ้างเมื่อ สองวันให้หลังรู้สึกว่าโอ้อากาศเหลืออดแต่วันสองวันมานี้รู้สึกว่าอบอุ่นแต่หลวงพ่อเองที่ได้พูดผ่านไปเมื่อวันที่ส1สอศรัทธาญาติโยมที่มาวัดของหลวงพ่อในช่วงนั้นเป็นช่วงที่เทศกาลวัน ปีใหม่คงจะเป็นไม่ใช่วันที่สามคงจะเป็นวันวันที่หนึ่งที่หลวงพ่อพูดวันที่สามสอวันที่วันที่สองพอหลวงพ่อเดินทางวันที่สาอดกลับขึ้นมาเหย็นวันที่หนึ่งเช้าวันที่สองหลวงพ่อจำไม่ผิดนะหลวงพ่อได้พูดเกี่ยวกับลูกหลานแต่ง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 ของเขาเราเข้าโดยเข้าไปโดยบังเอิญเรายังได้ขออภัยจากเจ้าของงานเขาว่าเองมาคราวนี้ไม่ได้ใส่ซุดไว้ทุกเพราะว่าเข้ามาแบบรีบโดนรีบด่วนรีบเร่งเข้ามาแบบประทันหันเราก็ยังได้พูดตอนนี้เรามาสู่วัดวาศาสนาก่อนที่จะเข้ามา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 ในสมัยนั้นท่านเป็นเป็นมีตระกูลท่านก็เบื่อเบื่อหน่ายในคารวะจากนั้นท่านก็ได้เข้าไปบวชเป็นฤาษีอยู่ในป่าเพราะอยู่ในป่านานแต่นี้กว่าร่างกาย ท, ทนต่อ น, นีะโดยมากฤาษีที่อยู่ในป่าเนีย เรื่องเกลือนะเกลือในเป็นปัจจัยสําคัญนะผู้อยู่ในป่าพูดพวกเราเคยกินเกลือทานเกลือดื่มเกลือแต่ที่ไม่มีเกลือในอยู่ในป่าร่างกายก็รู้สึกว่าตัวเหลืองเข้ามาท่านก็เลยเข้ามาในสู่เมืองมาบินทบาทในเมืองแต่ต่อมานี่ก็ ขุนพลในเมืองก็เคารพนับถือเลื่อมใสแต่ท่านฤาษีเนี่ยท่านก็เหาะได้นะเหาะเหาะเหมือนบินเหมือนกับ น, นกเลยเนะหาะได้เวลาได้เวลาท่านก็เหาะมาม า, มากระลงกระลงที่บ้านของขุนพลแล้วก็ทานอาหารฉันอาหาร พอฉันอาหารเสร็จเรียบร้อยแล้วก็เหาะไปกับวัด <c oughs> กับอุทยานที่พักพาอาศัย <c oughs> พอนเช้าใดเวลาก็มาถวานอาหารสนทนาธรรมเสร็จแล้วท่านก็เหาะกลับไปคืออันนี้ก็คือเป็นเป็นประเพณีหรือว่าท่านเป็นอยู่ที่นั่นเป็นประจำแต่วันหนึ่งท่านขุนพลเนี่ย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 ผุพลพอเข้าไปก็ได้สั่งเสียกับแม่บ้านของเขาบอกว่ายอดที่รักพี่จะได้ออกไปสู้รบค่าศึกอยู่ในชนนบทนะไปกวาดล้างเพอชนบทกําเริบเสบสารจะต้องได้ไปปราบกกระบท ให้ดูแลพลือสีด้วยนะพลือสีต้นของเราคือขุนพลเคารพรักในลือสีในอย่างสุดสุดไอ้ค้าผมยิ่งกว่าพ่ออีกเพราะงั้นเถอะเคารพและก็บอกให้เมียและแม่บ้านช่วยดูแลขณะที่ผมไม่อยู่ต่นี้ก็ขุนพลก็เตรียมพร้อมกั ยกทับออกไปพอยกทับออกไปหรือสีที่อยู่ในป่าเนี่ยท่านก็ยังมีกิเลสอยู่ใช่ไหมล่ะยังมีราคะโทสะโมหะอยู่อพ อ, อขุนพลออกไปนะบางทีท่านก็ไปเช้าบาั่งบางทีท่านก็ไปสายบาั่งก็สุดแท้แต่เพราะท่านไม่ไปตามเวลาไม่ได้ตั้งคงจะไม่มีนาฬิกามะ ท่านก็ไปเช้าบ้างไปสายบ้างเพราะว่าขุนผลไม่อยู่แต่ทา ง, งบ้านก็จัดอาหารทางลูกน้องบริวารที่ท่านถวายอาหารกับลือีที่อยู่ในอุทยานแต่วันหนึ่งลือศีเนี่ยเวลาท่านหอะมาเนี่ยท่านจะหอมาในกลางอากาศ ท่านก็จะผ่านมาต่างอย่างที่ท่านเคยผ่านมา น, นั่นะท่านก็หผ้ากาสกาสาวพัดหรือว่าผ้าย้อมเปลือกไม้ของท่านผ้าเปลือกไม้ของท่านนะเวลาท่านห่อมาก็เหมือนกับได้ยินเสียงผ้าของลวดสีเนี่ยสัมผัสกับอากาศนะมันก็คงจะดังผัดๆๆๆลักษณะอย่างนั้นนะแต่นี่ เมียของขุนพลเน่ะเขาตัดจัดอาหารเสร็จเรียบร้อยแล้วเขาไปนั่งคอยแล้วก็แล้วแล้วก็เป็นนอนเป็นนอนคอยอยู่ที่ในห้องอยู่หน้าต่างเพื่อคอยคอ ย, คอยถ้าเห็นลือสีห อ, อกมาแล้ว ก, ก็คงจะออกไปลักษณะอย่างนั้นแหละเทนี้ก็แม่บ้านของขุนพล ดังเขาก็นอนพักอยู่ตามปกติ น, ะตนี่ลือศีห์เหาะมาพอเหาะมาเหาะมาทางอากาศก็มาเห็นคุณผลไอเมียของคุณผลนะเวลาเขาก็ลุกอย่างลุกลุนแรงแต่เขาไม่ได้ต่างท่าต่างทางอะไรนะเขาุ๊ลุกตามปกตินะีแต่ลือศีเห็นอากับกิริยาของเมียของคุณผลนั่นนะ ซานเสื่อมเลยว่เนะนี่ยแหละจุดนี้แหละว่าสร้างเสื่อมคล้ายๆว่ามันเกิดการ ม, ม ก, กิเลสขึ้นมากระแทกหัวใจของลือศีที่อยู่ในป่ากระแทกตึบเข้าไปเลยคล้ายๆเหมือนลูกศรยิงเข้าไปในหัวใจเลยลือีนี่ยจะแบบนกแบบนกถูกลูกศรลักษณะอย่างนั้นทละลงไปเข้าไปก็ไปนั่งไปนั่งกัไปว่า ไปทานอาหารวันนั้นไม่มีรสมีชาติเลยเพราะว่าลูกสอนลูกส อ, กสอรักเนี่ยเทิมหัวใจของลือศรีจากนั้นลือศรีก็กัทานอาหารเสร็จแล้วก็ทั้งที่จะเหอะได้เนี่ารมันเสื่อมทีนี่เนี่ยน่ยสารเสื่อมพอจากนั้นลือศรีก็เลยเดินออกจากที่ที่ที่ชันอาหารเหมือนกันที่ฉันอาหารอยู่ในบ้านของเขานะ เดินเหมือนกับ น, นกปีกหักเออตะกอดมันมด น, น, นกมีปีกใช่ไหมละ่ะพอฉันแข้งหันเสร็จแล้วก็เหาะไปเลยเพราะงั้นเออพอมีญานมีชานชานโลกีนะแต่วันน้เหาะไม่ได้มันชานมันเสื่อมเหมือนกับ น, นกปีกหักเออเดินออกไปจากบ้านของเขาพอไปถึงอุทยานที่พักอาสมของตนเองเท่านั้นนะ ไปก็เอาผ้านอนเอาผ้าค่้อมหัวนอนเลยรแต่เนี่ยอา่าพงศ์ในเช้ามาก็ไม่บินทบาทอะไรนอนเนีไอ้ลูกสอนรักเออมันทิ่มหัวใจจนขุนพลมาจากอามาจากแนวรบวก็มาถามว่าเอา๊ะไปไงฤาษีของเราได้เข้ามา ทานอาหารฉันอาหารที่บ้านเราไหมาเอ๊ะไม่เห็นหลายวันนะนะไม่รู้หายไปไหนหายเงียบไปเลยแต่ท่านจากนั้นวันนั้นนะ่ะท่านก็เดินออกไปนะท่านไม่ได้ห่อออกไปท่านเดินออกไปท่านไม่สบายหรือเปล่านะตอนนี้ขุนพลเนี่ยก็เห็นอย่างนั้นกับปีเข้าไปน ะ, ะกับทหารองค์รักษ์เข้าไปก็ไปถามว่าเออเป็นไงท่านทือสีเอาผ้าเอาผ้าค่อมหัวนอนอยู่ในอาสมอะ ท่านบอกว่าท่านกับท่านเป็นไงท่านอท่านฤาษีครับท่านไม่สบายเหรอเหมือฤาษีก็เออไม่สบายเป็นยังไงไงถูกลูกสอนเหมือนกัน <c oughs> ถูกที่ไหนครับอันนี้ก็บคล้ายๆกับเป็นขุนพลอยู่แล้วใช่ไหมล่ะใครจะมายิงฤาษีถึงขนาดนี้ถูกที่ไหนครับเท่มพวก น, น, นี้ชี้เขาไปตั้งที่หัวใจเหมือนกั น, น, ก น, น, กนตรงหน้าอก ทางเรือไอ้ทางขนพธ์นี่ก็เปิดดูงั้นเถอะเออมันถูกลูกสรที่ไหนมันมีทางเข้าทางออกอย่างไรลูกสรนเนี่ยเปิดองนาทางนาอกก็ไม่มีเปิดดูทางที่มันเข้าทางหลังก็ไม่มีเปิดดูแล้วก็ไม่มีเออผลที่โชยก็เลยถามว่าลูกสรตัวนี้มันมันมาอย่างไงมันเข้าอย่างไงมันถูกอย่างไร พอซักไรไยเลียงจึงรู้ว่าเป็นลูกสอนลูกศรลูกส อ, กสอรักมันทิ่หมหัวใจของฤาษีก็เลยพูดให้ฟังท่าทางวันพอพูดให้ฟังแล้วขุนพลนี่ก็บอกอ้าวไม่เป็นไรท่านฤาษี อ, อ, อ, อยากจะได้ไข อ, อผมพร้อมที่จะยกให้ทั้งหมดแล้วแต่นี้ฤาษีตัเนี้ก็เลยสลด สลดสังเวชใจเกิดความสลดสังเวชใจขึ้นมาอย่างรุนแรงโอ้โหทําไมเราจึงเป็นขนาดนี้เนะี่พอเกิดความสลดสังเวชใจท่านั้นนะ่ะมีฮิริโอตตะปะสํานึกได้สํานึกผิดได้จากนั้นก็นึกย้อนถึงเรื่องสมาธิเรื่องฌานของตอนเองก็เลยฌานก็เลยวิ่งปบเข้ามาฌานโลกีก็เลยเข้ามาอีกอย่างเก่า เออพร้อมที่จะเหาะเหินเดินฟ้าได้อีกเหมือนเก่าเพราะว่าสมาธิขึ้นมาอีกในช่วงนั้นแปลว่าเสื่อมเสื่อมสารชาลโลกีมันเสื่อมเหาะได้คือว่าชาลตัวนี้มันไม่ใช่ชาลไม่ใช่โลกุตละนะโลกุตละแปลว่าไม่เสื่อมโลกีที่เสื่อมได้จากนั้นท่านก็เลยบอกโอ้ท่านขุน้นพลตมาเอง อยู่กับโลกไม่ไหวหรอกเออท่อไปก็คงจะเจออย่างนี้อีกอาตมาจะขอเข้าไปอยู่ป่าหิมพาลจะไม่มาในเมืองมนุษย์อีกต่อไปตั้งแต่บัดนี้เ อ, อ่อเอาแล้วนะท่านกุนพลนะ่าลาแล้วนะเพราะว่าตอนนะั้นแหะท่านฤาษีก็เลยลากุนพลเออเข้าไปอยู่ในป่าหิมพาลไม่กลับมาออกออกมาอีกเลยนะ่ะหาะไปเลยนะมัน นั่นแหละอันนั้นคือชาตินั้นคือพระพุทธเจ้าของเราเป็นฤาษีขุณผลก็คือพระอนุนนะ่ะนั่นแะคนกลุ่มเดียวกันมีอะไรจะต้องเอื้อเฟื้อเอื้ออารีต่อกันรักเมตตากันถึงจะยังไงยังไงก็ต้องเออทงกันไม่ลงนะเพราะเหตุอะไรเพราะว่าพระพุทธเจ้าเป็นฤาษีพระอานุ์เป็นขุณผลในชาตินั้น น, ะนี่แหละทำไมจึงเสื่อมได้ ในหลักตามคำสอนของพระพุทธศาสนาในธนว่าถ้าโลกุตรธรรมเนีย่ยตั้งแต่พระโสดาบันขึ้นไปอันนั้นแปลว่าไม่เสื่อมทางเข้าว่าผู้ใดมีเล็ดมีเดชที่ว่าโลกุตระแล้วใจของผู้นั้นแปลว่ามาตรฐานใจใจสแตนดาร์ดใจไม่เสื่อมแต่นอกจากนั้นลงมาโล ก, กียะเนี่ยเสื่อมได้เหมือนกับทองเหลืองทองแดงอย่างนั้นนะ ไม่ทนต่อการพิสูจน์แต่ถ้าว่าโลกุตละธรรมแล้วทนต่อการพิสูจน์ถึงจะเอาน้ำกรดน้ำอะไรแทซารดเข้าไปทองคานั่นก่อนยิ่งใส่กระจางขึ้นมายิ่งเข้มแข็งยิ่ง <c oughs> สวยงามก็ไปอีก <c oughs> ถ้าเป็นทองแดงทองเหลืองทองแดงทองแดงตะกั่วเหล็กสิ่งแปลกปลอมเข้าไปแล้วก็ ถึงจะไปเกาะ อ, อยู่ในทองคำก็เด้อทิงเหล่านั้นไปว่าละเลงละลายไปหมดออยังเหลือแต่ทองคำธรรมชาติเท่านั้นนะที่จะถาวอนนี้ก็เหมือนกันหลักธรรมคำสอนของพระพุทธศาสนาที่ว่ายาณทัศนคํานี้นะถ้าเป็นโลกิยสาโรโลกีนะมันเสื่อมได้แต่โลกุตละแล้วไม่เสื่อมนี่แหละอันนี้พวกเราท่านทั้งหลาย เรื่องแต่งกายเข้ามาเนี่ยมันมีส่วนไหมถ้าเปรียบเทียบกับฤาษีเท่านั้นกลับมาสู่วัดวาศาสนาเพราะฉะนั้นพวกเราจะรักษาวัดวาศาสนาพระพุทธศาสนาพระสงฆ์ที่เขามาบวชในพระพุทธศาสนาก็เหมือนกับฤาษีอยู่ในป่าถ้าว่ามีอะไรสิ่งแปลกปลอมเข้ามาที่เป็นฤาษีที่เป็นหัวหน้าเนี่ยก็ไม่สบายใจเหมือนกันเพราะฉะนั้น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 ผู้ชายเป็นอันตรายเรื่องของผู้หญิงที่เป็นผู้หญิงเป็นหรือสีสีผยรักษาพรหมมาจันท์อย่างที่เป็นพิชจนีหรือสมณนนีหรือว่าเป็นเป็นแม่ชีอย่างไี้ผู้ชายเป็นเป็นอันตรายไม่รู้ว่ารูปเสียงทั้งรูปทั้งเสียงกดลิ่นรสสัมผัสอะไรทุกอย่างเป็นอันตรายต่อเพศตรงตรงข้าม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 ตัวผู้รู้ในตัวใจเป็นผู้รับในรูปเสียงกลิ่นรสถ้าตาไปเห็นรูปเกิดลาคะ เ, าเกิดสิ่งที่ชอบใจเราเกิดลาคะแปล ว, ว่าลาคักกินา เ, นเกิดเป็นไฟขึ้นมาในใจถ้าหาวาตาไปเห็นโรคเกิดโทสะเขาเบี้ยวปากใครเขาทำอากัปกลิลไม่อากัปกิริยาที่ไม่ถูกใจอันนี้เลยว่าเกิดโทสะ เออมันก็ย้อนก็มาหาใจว่าโทสักกินานะเนี่ยเออเมื่อเห็นรูปล้วเกิดโทสะนะเออโอได้ยินเสียงก็เหมือนกัน เ, เสียงพอใจเสียงไม่พอใจราคขักกินาโทสักกินารัากขักกินาโทสักกินาโมหกกินาโมหคกินาก็คือความหลงหลงในรูปในเสียงในกลิ่นในรสในเครื่องสัมผัส น, ะนี่แหละมันสู่เข้ามาสู่ใจทั้งนั้นพอใจเพราะเหตุไรเพอใจยังไม่มั่นคง ใจยังเป็นโลคีอยู่ใจยังไม่มาตรฐานใจยังไม่สแตนดาร์ดใจยังวันไหวไวกแกว่งอยู่นี่แหละอันนี้ก็คือใจของปุตุชนในเมื่อท่านกําจัดกิเลสราคะกับโทสะออกไปแล้วนะคือพระอนาคามีพระอนาคามีนเนี่ยแปลว่าโรกุตระท่านจะขึ้นไปสู่ชัน้นพรมชั้นพรมชั้นผมสุทธวาส ชุตตวาท5หชั้นอาวิหาอัตปาทุจสาทุจเสียกนิฐาอากานิ tha พรคือพรมเหล่านี้นะเมื่อตัดกิเลสลาคานะเน่ไม่ยินดีในในรูปในเสียงในกลิ่นในรสตักละกโทสะไม่ยินดีในโทสะละทมไม่โกรธไม่โมสุญเฉียวกับไข่ไข่ไม่รักไข่ไม่ยินดีไม่เกลียดไขร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 ชำระอะไรชำระอะไรชำะะาาระโมหะราคะกัโทสาเนี่ยตัดได้โดยเด็ดขาดยังเหลือแต่มโมหะคือความหลงยังติดอยู่ในใจของพระอนาคามีในเมื่อท่านขึ้นไปชำระที่นั่นแล้วท่านก็เข้าสู่นิพพานท่านจะไม่มาเหยียบโลกนี้อีกคือพระอนาคามีแต่ยังพระโสดาบัน เมื่อท่านได้สำเร็จพระโสดาบันเป็นโลกุตระแปลว่าผู้ไม่เสื่อมในเมื่อท่านได้สำเร็จแล้วนะต่อไปท่านก็จะได้ขึ้นไปสู่สวรรค์ชั้นผมท่านจะมาเกิดก็มาเกิดได้สามชาติเจ็ดชาติสามชาติหนึ่งชาติหลวงพ่อก็เลยตั้งว่าพระโสดาบันเกรดเเกรดบเกรด C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 หมุนสูงขึ้นไปเรื่อยๆอันนี้คือพระโสดาพระสกทาคาเนี่ยเกิดเกิดชาติเดียวแต่ท่านไม่พูดชัดในพระบาลีเนี่ยท่านมาได้อธิบายชัดถึงพระอนาคาคาร์พระสกทาคาเนี่ยแต่พระอนาคาคารเนี่ยท่านบอกบอกว่าเมื่อตายจากเมื่อได้พระสําเร็จพระ <c oughs> อนาคาคาแล้วน่ะจะขึ้นไปสู่ชั้นพรมห้าชั้น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 พวกเราคนเป็นคนป่วยเป็นคนป่วยแต่ชอบของแสลงมันก็ตายได้ง่ายๆ่ายเหมือนกันนะเพราะนั้นขอให้พวกเราทุกๆ ท, ท่านนะพระเนนทุกองค์คณะตัดทายญาติโยมทุกมูเหล่าที่ได้ยินเสียงหลวงพ่อที่ย์หลวงพ่อพูดไปเนี่ยไม่ได้พูดเพื่ออย่างอื่นไม่ได้พูดเพื่อกระแนกแหนโลกไม่ได้พูดดูถูกเหย็ดยามผู้ใดใครผู้หนึ่งนะ เ, เป็นการพูดให้เป็นแนวความคิด